Namo Tatsa Ako-ato arahato sama Sambutatsa Namo Tatsa Ako-ato arahato Sama Sambutatsa Namo Sama -sambutatsa. Attanno yattananna ti imassa dhammakariyayassa Bàtni, Chaknay-sodèng dhamma, Thòp-i-fèl-sòm, Kànpa-tru, Kànpa-tru-bàti. ธรรมของสุดท้ายของความตั้งใจทั้งหลายและ อุบาสกอุบาสิกาคือกุลวันสุดท้าย เป็นการฝึกฝนหลบหลงตนคงตนทางพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษธรรมะ เราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการผ่อน ในเวลา 9 เดือน 3 เดือนใจมักไปมีลาของการสั่งสมเสบียงสั่ง จะได้พึ่งพาอาศัยในหน้าที่ของเราทั้งหลาย แห่งวัตตะคือวงได้แก่ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ แล้วทําเป็นเผาพันธุ์ทําทํา ว่าสมมติเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเราเลิศสาริกัส แต่เล่ห์เหล่าตัวเหล่านี้อ่ะ ที่จะอาศัยสิ่งภายนอกตัวของเราไปทรัพย์สินค้า กาตานังก็ใส่ทั้งใจแล้วปัญญาจึงเรื่องของกายของ ศัพท์ภาษาหรือว่าอริยศัพท์แต่นี้คําว่า แม้แต่สัพพภูตนและแก่ตัวของ ได้แก่กายของเราทุกคนนี่ หาญยาของบ้านเลยใครก็สามารถที่จะ มันเตลุโดยภัยดังกล่าวเต็ม รอติดตามตนตัวไปได้เลย เลอได้มาพากันขวนขวายนิยมนิยมตามพระสงฆ์เมื่อถึงกําหนดการฤดูฝน กันด่านที่จะป้องกันได้ดีพอสมควรก็เป็นฤดูกาล เงินเหล่าซึ่งดึกขูดลีบจะ เป็นกรณีพิเศษนั่นคือทุฏฐง 13 ข้อทุฏฐง 13 นี้พระกรรมฐานรู้ ชีวิตความชีวิตของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนักบวชอย่างพวก โคมก็บัญญัติให้นักภิกขุนัก มีความเชื่อความยินดีพอใจความเป็นที่ยิ่งแล้วความยินดี เหลือแก่กล้าขึ้นมาถึงขั้น สำหรับฆราวาสญาติโยมก็ในขั้นที่สูงยิ่งแล้วใน ถ้าพวกไม่มีศรัทธาไม่มอง เมื่อถึงฤดูกาลเช่นนี้มา เป็นให้มันมากขึ้นทรมานกิเลสในหัวใจมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการทําความดีเหล่านี้เราท่านๆทั้งหลายแล้วก็มักจะเกิดเป็นความ โรคเกลียดข้านเรานั้นๆขึ้นมา แตกต่างกันก็อยู่ตรงที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นความรู้ ให้พวกเราทั้งหลายนั้นพยายาม เราต้องการกำลังก็ให้เราแสวงหากำลังในตัวของ พยายามเตือนสู่เราเองให้มากๆยืนยืนอยู่ก็ให้เดินเดินอยู่ก็หยุดนอนอยู่ก็รุกลุกขึ้นมาเพื่อประกอบ ที่เราตั้งใจเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการท่องใจเข้าการฟังไม่ว่านี่คือเป็น หน้าที่ของพวกเราเป็นจิตพวกเราที่จะต้องเราเป็นจิตพวกเราที่ ทั้งๆที่ก็มีศรัทธาอยู่ใจเมื่อใจมันขาดกำลังกาย ขบได้ดีรับแต่ใจของเรามันอาหารได้ดีสมบูรณ์ <c oughs> มันไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมลดตัวลงไปหมด วิริยะพลังพลังคือความเพียรสติพลังพลังคือความระลึกปัญญา ได้แก่ความรู้แก่ความรู้นี่น่ะเป็นตัว <c oughs> ความเชื่อก็ได้ชื่อ กระทบเสวยอารมณ์อัดเย็น ที่กล่าวมานี้กล่าวอันนี้มันเป็นเรื่องภายนอกนี้ที่ยกอวินสีเนี่ยธรรมดาธรรมดาๆแล้วน่ะศรัทธา ความเชื่อคือศรัทธานั่นน่ะมีมันมีมันมี ความรู้สึกเชื่อตัวนี้แหละเชื่อการกระทําซึ่งเป็นการกระทําซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดผลทั้งหมดไม่มีผลอันใดที่จะเกิดขึ้นโดยไร้จาก ตนนี่เองสิจัดทิน 4 ความเป็นใหญ่ เมื่อได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาก อินทรีย์แต่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตาได้มาจากการปฏิบัติธรรมจมูก ภายนอกเข้าไปสู่ภายในคือจิต <c oughs> ในแง่ของปริยัติกับทั้งในแง่คุณธรรม ทั้ง 5 ประการดังกล่าวนี้อันนี้แหละคือเป็นป้อมปราการ ล่มประกาศอันนี้สุรยกับทาสึกคือกี่จะเป็นขันธธรรมารกิเลสสมานเทวตุตะเทวบุตรมานอะไรกับมานอะไรกันล่ะเตนั่นคือศัตรูของเราธรรมทั้ง 5 ประการ ให้ชีวิตของตนเกิดมา ก็ควรที่จะต้องกําหนด เจริญขึ้นไปถึงธรรมดาธรรมดามันก็มี คือมีความเชื่อเป็นที่ตั้งแต่ขาด ทำกันฟังเทศน์ฟังธรรมเล่าทำ แล้วปัญญาตัวนี้ก็จะได้ มันก็จะเกิดขึ้นหัวเต่า ความเพียรก็เป็นความเพียรที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจริงจังไม่ย่อยายโลเลนอนทําได้อย่าง ตัวความเพียรที่จริงจังหมาย ก็ดีก็ดีรู้ฟังธรรมๆนั้นจะต้องๆนั่นแหละเราจะ <lle o>, <Nine> <Stanley> อันเล่าว่าเป็นภาชนะท่องรองรับเสียงฟังฟังเท่าไหร่เท่าไหร่ฟัง ในธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยการฟังก็ จะฟังอะไรก็ไม่ถนัดจะ เสียงเมื่อเข้าถึงใจเพราะปัญญาก็โดยเข้า กล่าวปัญญามาธรรมคือฟังบทมาฟังนี่คือโน้นแสดงธรรมบทนั้นบทนี้ไม่ถูกไม่ต้องตาม ด้วยปัญญาก็เราไปต่อของการฟังเสียงนั้นนี่ถ้า โดยปรับจิตใจของเรานั้น มันอยู่กันแค่นั้นแหละหายใจเข้าก็ and for ดังนั้นคําไหนได้รับรู้คํานั้น ขัดต่อกิเลสในหัวใจวางเสียเสียงที่มันเพียงแต่เรา เราอย่าไปยุ่งเขานี่ก็เรียกว่าฟังแบบโง่ๆ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจิตได้บรรลุนั่นน่ะสังโฆปัญญาแต่ว่า ของปัญญาดีแล้วปัญญาของคนเหล่านั้นมันจะต้องมีพื้นฐานนะ ราบที่เลดยังอยากอย่างกลางศูนย์ ไม่มันเป็นขึ้นใหม่เองท่านผู้ใดให้มันเป็นมันเป็นขึ้นๆดับๆ เมื่อถอยออกมาแล้วน่ะจิตนั้นก็ยังดุ้มดำ ไม่ว่าการรับรู้ๆลงไปเท่า เพราะฉะนั้นอยู่สีฉีเอาแค่ผมมาโลกนั่นคือว่าติดความสงบที่ จึงไม่ทนทุกข์แม้ประพฤติจ๋าวงเราก็ๆเลยแหละจิตที่ๆเลยแหละ ไม่เป็นสํวนจิตประหารพอจิตเข้า แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยการสํารวมอยู่ด้วยกันฟูนฟูอยู่ตลอด วันใหม่มันเป็นมีจิตมันจะต้องมีพื้นฐานถ้าจะฟังด้วยปัญญาจิตมันจะต้อง นี่เอาอะไรรู้ไข่ก็ตามแสดงให้ ไม่มีอะไรที่จะไม่เห็นมีอะไรที่จะไม่เห็นไม่มีอะไรแสดงฟังปฐมเทศนาเป็นดวงตาเห็นไม ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแห่ปัญญาเกิดเห็นพร่อง ป. ญญ อง, ป. ป. อ, ป. อ, ป. อ, ป, อ, ป, อ, ป, อ, ป อ, ไป การฝึกฝนปรอมจิตใจของเราขั้นพื้นฐานคือสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปฐมฌาน ขอให้มันเป็นขึ้นมาซะก่อนกับธรรมะคําสอนของเป็นเหมือนหิน การเจตของเราไม่มีความสงบเป็นพื้นฐานไปๆๆๆๆ ไม่ว่าเราจะนั่งไม่ว่าเราจะเดินไม่ว่าเราจะนอนพิจารณา เอ่อซอยกันเนี่ยยับไปเลยสับให้มันละเอียดเหมือนอย่างลาบเนื้อควายทั้ง จะเดินธรรมก็มันจริงนั่งทำๆคิดจริงๆๆเพราะว่าธรรมะจะเกิดกับความ ภาระหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายมันหนักก็หนักจะว่ามันความเป็นปุถุชน เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่ๆคุณธรรมซึ่งเป็นระเบียบ ให้พวกเรานํามาฟื้นฟูจะลง จำเงินศีลและพละกําลังเหล่านี้ให้ เพื่อเป็นการประคับ